ขอต้อนรับนะชาวธรรมยัตาทุกท่านธรรมยทตาเราเริ่มต้นเป็นทางการพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินแต่ว่าคืนนี้เนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าเป็นการรวมพลชาวธรรมยัตาเห็นพวกเราตรงนี้แล้วก็อดนึกไม่ได้ถึง การรวมพลครั้งแรกของธรรมยาตาเมื่อปี43ธรรมยตราตาครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มต้นที่พระป่ามหาวันหรือกูห ล, ลง ต, ตอนนั้นเนี่ยศาลาก็ยังเป็นศาลาหลังเก่าเล็กๆคนที่มามาร่วมเดินมานั่งเป็นรูปตัวยูในศาลาเนี่ย ก็สามารถจะนั่งได้แบบสบายๆคนทั้งหมดที่มาสามารถจะมานั่งในรูปตัวอยู่ได้ครบเลยนะเพราะว่าตอนนั้นคนยังน้อยแต่ว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็พบว่าคนที่มาเดินธรรมยาิตราเนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยมัมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปีนี้เนี่ยซึ่งเป็นครั้งที่สิเก้าก็มากันอย่างอุ่นอาฝางข้างนี่ทั้งเป็นบรรยากาศของการรวมพลภรรมญาตราในระยะหลังนี้ก็มีความอบอุ่นเพราะว่าแต่และคนนมาด้วยใจดวงเดียวกันแต่และปีก็มีเพื่อนเก่า ที่เคยผ่านธรรมยาตราข้างก่อนๆ ก, ก็ติดใจแล้วก็ม า, าร่วมเดินอีกครั้งแต่ก็มีเพื่อนใหม่จำนวนไม่น้อยอย่างคราวนี้เนี่ยนะที่เท่าที่ลงทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่คือหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมาเดินแต่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งมาใหม่ แต่ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่นี่เราถือว่าไม่มีใครแปลกหน้านะมีแต่มิจเพิ่งรู้จักแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีเพื่อนมาร่วมเดินจากทั่วสารทิศเรียกจากทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็ในระยะหลังๆก็มี ญาติโยมจากต่างประเทศบินมาเพื่อที่จะมาร่วมเดินญาติโยมที่นี่คือคนไทยนะอย่างปีนี้นี่ก็มีบางท่านบินมาไกลาจากสวิสเซนะเพื่อจะมาเดินธรรมญาตรานี้โดยตรงลา ง, งานมา ถ, าถึงเมื่อวานนี้มาเดินวันนี้ มาร่วมรวมคนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ออกเดินกับเราเสร็จทำให้อาตราอยู่ได้ไม่กี่วันก็บินกลับบ้านเนี่ยเราก็จะมีมิตร ท, ที่ต้องรู้จักแบบนี้เนี่ยมาปีแล้วปีเล่า ว, วันนี้ยังไม่นับชาวต่างชาตินะซึ่งปีนี้ก็มาร่วมเดินกันหลายคนมาถึงแล้วก็มีนะแล้วก็กำลังจะมาสมทบ วันพรุ่งนี้ก็ก็มีอาการมารวมพลในคืนก่อนการเดินเนี่ยนะมันมีความสำคัญทีเดียวส่วนหนึ่งก็เป็นโอกาสให้ผู้ใหม่เนี่ยนะได้มาซักซ้อมซะก่อนซักซ้อมก่อนที่จะออกเดินจริงแล้วก่อนที่จะไปเจออะไรต่ออะไรข้างหน้าที่อาจจะไม่คุ้นเคย มาซับซ้อมตัแต่การนอนในที่นที่มันเรียบง่ายโดยเอรากการนอนเต็นท์หลายคนก็คงได้เพิ่งนอนเต็นท์คืนแรกก็ที่นี่แหละเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ที่นี่แหละบางคนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการกางเต็นท์ก็ได้มาฝึกที่นี่แล้วก็ได้ซ้อมอีกหลายอย่าง เริ่มที่จะสัมผัสกับการนอนแบบนอนกลางดินแล้วต่อไปก็จะกินกลางทรายหลายคนจากบ้านที่สะบสบายมาและการที่ได้มามาซ้อมที่นี่ที่วัดภูเกาทองไว้ก่อนเนี่ยมันก็ช่วยในการปรับตัวนะเพราะว่านับจากนี้ไปเนี่ยเรียกว่าไม่มีที่ไหนที่จะสบายเท่านี้อีกแล้วนะ ไม่มีที่ไหนที่จะสบายเท่าวัดภุกขาทองกันแล้วข้างทางข้างหน้านเนี่ยขณะที่เราเริ่มลงเขาไปเรื่อยๆน่ะคุณภาพนะหรือมาตรฐานเนี่ยของความเป็นอยู่ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะจนกระทั่งไปถึงเกือบมาสุดท้ายเลยนะเราก็จะไปได้นอนกันตามชายป่าที่นี่ในห้องน้ำนะเยอะแยะเลยนะ ก็ใช้ปือให้เต็มที่นะเพราะว่าหลังจากวันนี้ไปห้องน้ำเรากกค่อยลดจำนวนลงไปเรื่อยๆตามจุดที่เราพักแรมแ ต, ตอนนี้เราก็มีไฟฟ้าใช้สะดวกส บ, บายสัญญาณโทรศัพท์ก็มีแต่ว่าพอเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีบางจุดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้ไฟปั่นสัญญาณโทรศัพท์ก็จะขาดขาดให้หายหรือว่าหายไปเลยก็มีแล้วคนที่มาจากกรุงเทพเนี่ย ถ้าไปเจอสภาพแบบนั้นนี่ก็อาจจะตั้งตัวไม่ค่อยติดนะแต่ว่าถ้าได้มาค้า้งแรมที่นี่ก่อนนะก็จะค่อยๆเริ่มปรับตัวนะแลวการมารวมพลเนี่ยนะมันก็มีความสำคัญอย่างนี้เหมือนกันได้มาปรับตัวกับการอยู่แบบง่ายๆแต่ที่สำคัญนะมันเป็นช่วงเวลาที่ พวกเราเนี่ยจะได้มาผนึกจิตประสานใจกันธรรมยาตราเนี่ยกระบวนของเราเนี่ยเหมือนกับเรือหรือนาวานีธรรมยาตรานาวาเนี่ยมันเป็นเรือที่ใหญ่ไม้แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นของเรือนี่ก็ก็คือเราหรือชื่อของเราแต่ละคนแต่ละคนเรามาจากต่างที่ต่างแดน ประสบการณ์ก็ต่างกันต่างวัยบางทีก็ต่างภาษาแต่ละคนแต่ละชีวิตเนี่ยนะก็เหมือนกับไม้ตแต่ละแผ่นที่จะมาประกอบกันนะเป็นเรือธรมรมญาตานาวามันจําเป็นหนะ้าที่เราแต่ละคนเนี่ยจะมาเพื่อนึ่งจิตนะปะสานใจกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเพื่อที่ ธรรมญาตรานาวาก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่ น, นคืนนี้นก็เป็นโอกาสที่จะให้แต่ละคนแต่ละคนได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาประสานจิตใจของตนนะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้มากที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะถ้าต่างคนต่างเดิน มันก็คงจะไม่เกิดพลังเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาผนึกกันนะไม่ใช่แค่ผลึกกำลังนะแต่ว่าผนึกจิตผนึกใจกันการขับเคลื่อนของเราเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็ น, นึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้ธรรมญาติกราเนี่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของการ ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมที่ไปเสริมสร้างจิตสำนึกรักโลก่วงใหญ่สิ่งแวดล้อมแล้วก็อบอ้อมอารีต่อธรรมชาติไม่ใช่กับผู้คนสองข้างทางเท่านั้นนะแต่ว่ารวมถึงพวกเรากันเองด้วยและขณะเดียวกันก็ทำให้ความเพียรพยายามของเราเนี่ย มันจะมีกำลังมากขึ้นเพราะว่าความยากลาบากที่เราจะต้องไปเจอข้างหน้ามันมีมากมายหลายอย่างทั้งแดนร้อนอากาศหนาวอย่างที่เพลงธรรมยตราเพลงนึงก็จะบอกนะว่ากลางคืนกลางวันเดินร้อนกลางคืนนอนหนาวแล้วก็จะมีความหิวนะมีความกระหายมีความเหนื่อยล้ามีความเจ็บความปวดแล้วก็ต้อง เกอบกับความาขัดข้องหลายอย่างในการเมือชีวิตแม้กระทั่งการอาบน้ำการเข้าห้องน้ำแต่ถ้าเราร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเนี่ยไอความยากลำบากเหล่านั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นของง่ายาทางไกลแม้กายจะล้าแต่ว่าใจสู้ ใจสู้เพราะว่ามีกำลังใจจากเพื่อนๆ mm. นเรียกว่าเป็นร้อยๆเนี่ยช่วยขับเคลื่อนกายของเราเนี่ยให้ขยื่นไปข้างหน้าทำสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะทำได้ mm. ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นได้รู้จักตัวเองเราก็ได้เห็นพลังนะที่ มันแฝงเล้นนะอยู่ในกายและใจของเราแล้วก็จะได้พบสิ่งดีๆที่เป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นคติธรรมในการใช้ชีวิตได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ตนนะความสามาัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเมื่อขับเคลื่อนธรรมยาตราให้เป็นไปได้ได้วยดีเนี่ยมันก็จะตามไปสู่การสร้างประโยชน์ท่านคือประโยชน์ต่อส่วนรวม แล้วก็ประโยชน์ตนด้วยอย่างที่เราทราบดีแล้วว่าธรรมญาตราเนี่ยมันมีสองมิติมิติก็คือการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเป็นปากเสียงให้กับธรรมชาติภูเขาป่าไม้ลำห้วยสิงสารสัตว์และผืนดินที่ถูกเบียดเบียนหรือว่าถูกรังควานรบกวน โดยที่หาคนที่จะเป็นปากเสียงได้ยากพวกเราก็มาเป็นอาส า, ามาเป็นปากเสียงให้กับสิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยปกปกักพิทักษ์ไม่ให้เสื่อมโสมมากกว่า น, นี้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกฝนจิต พัฒนาชีวิตของตัวที่เราเรียกง่ายว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นทั้งการทำประโยชน์ท่านเพื่อกูลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันสองสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มเปี่ยมเต็หมหน่วยก็ต่อเมื่อธรรมญาติตรานเนี่ยเป็นไปด้วยดี แต่จะเป็นไปด้วยดีได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของเราช่วยกันขับเคลื่อนไปปีนี้เนี่ยธรรมยาตราเนี่ยเราจะใน้นเรื่องการอยู่แบบเรียบง่ายให้เราได้เห็นว่าการอยู่อย่างเรียบง่ายเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของความยากลาบากแต่มันสามารถจะ นำความสุขความอิ่มเอมมาให้กับชีวิตของเราและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกใจของเราเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นธรรมยาตราเนี่ยเราไม่ได้เดินด้วยเท้าเท่านั้นนะสิ่งสำคัญเนี่ยวัญ น, นั้นคือเราเดินด้วยใจถ้ามีเด็ก หรือว่าคนเท่าคนแก่ทั้งๆ ท, ที่กำลังวังชาเขก็น้อยสุขภาพก็ไม่อำนวยแต่ก็สามารถที่จะร่วมเดินไปกับเราเนี่ยไปจนตลอดปีแล้วปีเล่าก็จะมีจะเห็นภาพเหล่านี้บางคนก็อาจจะเจ็บป่วยบางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีเร็วมีแรง แต่เป็นขใจนะใจที่ใหญ่ไม่วันไหวนะตอุประสษทข้างหน้าก็ทำให้สามารถจะเดินไปได้นะจนถึงที่หมายสมยาตตายมันไม่ได้วัดความนะเข้มแข็งของกายนะแต่ว่าเป็นการวัดกันที่กำลังใจใจที่ใหญ่ ไม่กลัวอูปประสักข้างหน้ารวต้องใจที่มีความโอบป้อมอารีนะเพื่อเพื่อเพือลในยามที่เราต้องเจอความทุกข์เกิดความลำบากแต่ว่าหลายคนเนี่ยแทนที่จะนึกถึงตัวเองนะก็นึกถึงคนอื่น นึกถึงคนที่เขาลําบากกว่าเราวก็นึกถึงไปถึงส่วนรวมด้วยนั่นเป็นโอกาสนะที่จะได้ฝึกนะว่าแม้ว่าเราจะอยู่ลําบากแต่ว่าแทนที่เราจะดิ้นรนเพื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นการหาที่นอนที่สบายหรือว่าการอาหาห้องน้ําหรือว่าการกินการอยู่ แต่ว่าเรากับเอื้อเฟื้อผู้อื่นเวลาตักอาหารเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะตักของที่ดีๆมาให้กับตัวเองมากๆแต่ว่าเราก็นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็ช่วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะเรื่องสิ่งอื่นด้วยห้องน้ำก็ดี ที่หลับที่นอนก็ดีหรือแม้กระทั่งบางคนก็ จ, จะขาพิษหรือว่าปวดขาเนาะก็ช่วยกันประคองกันไปอันนี้เป็นภาพดีๆที่เราได้เห็นในธรรมยาตราปีแล้วปีเล่าแล้วก็เชื่อว่ามันจะสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นอีกในปีนี้เช่นเดียวกันซึ่ง บางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเออเราจะมีความอบอ้อมอาริขนาดนี้เพราะว่าคิดห่วงแต่ว่าเออลําบากเราจะอยู่ยังไงเวลาคนเราเจอความลําบากเนี่ยในบางสถานการณ์เราก็นึกถึงการนึกถึงการเอาตัวรอดเอาตัวชั้นรอดก่อนแต่ว่าบรรยากาศธรรมยาตราเนี่ยมันช่วยให้หลายคนเนี่ยเขาคิดถึงผู้อื่น ไม่ได้คิดแต่จะเอาตัวรอดหรือเอาสบายอย่างเดียวหรือพูดเดียวเพราะั้นถ้าเราได้ฝึกตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่เราอยู่เรียบง่ายนะแต่ว่าจิตเราก็จะใหญ่ด้วยใหญ่ก็คือมีความเมตตามีความอบอ้อมอารีมีน้ำจิตน้ำใจแล้ถ้าเรามีใจที่ใหญ่เนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ง่ายเพราะจิตที่เล็ก แต่โดยอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็จะเหลือที่ว่างให้กับความสุขได้น้อยแต่จิตที่ใหญ่เนี่ยก็จะมีที่ว่างให้กับความสุขได้มาสถิตมากขึ้นเมื่อเรานึกถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองสิ่งที่ได้คือความสุขจากการได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนจะได้พบ การอยู่เรียบง่ายก็ทำให้ใจมีความสุขการที่จิตใจอบอ้อมอารีมันก็นำความสุขมาให้กับใจเราเหมือนกันแม้การอาจจะไม่สะดวกสบายนักนอกจากอยู่เรียบง่ายนะจิตใจแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าทำให้ใจเราสูงด้วยสูงในที่ไม่สูงส่งในทางคุณธรรมนะอันนั้นมันมัน มันมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นนะคือใจเราสูงอยู่เหนือทุกความทุกข์กายมันก็มารบกวนจิตใจเราได้ยากเพราะใจเราสูงมันอยู่เหนือมันลอยเหนือความทุกข์กายไม่ว่ากายร้อนกายล้ากายเหนื่อยจะทําได้ยังไงนะธรรมยาตราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเห็นได้ว่าหรือฝึกให้เราได้พบกับภาวะที่ใจสูง ตรงนี้แหละเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมความควาธรรมญาตาปิปีแล้วปีแล่าคือว่าร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นหรือว่าเหนือแต่กายนะใจเบิกบานความทุกข์กายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราที่ร่วมเดินเนี่ยเรียกว่าทุกวันแล้วก็อาจจะเรียกว่าตลอดวันเลยก็ได้อาจจะร่วมกลางคืนด้วย อย่างที่ว่านะกลางวันเดินร้อนกลางคืนนอนหนาวมันไม่ใช่แค่ร้อนเดียวมันไกลโดยเพราะจะมีวันหนึ่งซึ่งเราเดินไกลมากยี่สิกว่ากิโลแล้วก็บนเส้นทางก็ไม่รู้จะมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราฝึกจิตไว้ดีนะกายทุกข์นะแต่ใจมันไม่ทุกข์นะใจมันลอยเหนือความทุกข์ของกายทําได้อย่างไรนะอันนี้แหละเป็นเป็นการบ้านนะ ที่ถ้าใครได้มาลองฝึกดูอย่างตั้งใจนะก็จะพบว่ามันเป็นไปได้มันทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันก็อาจจะทำได้อ่แบบกระท่อนกระแท่นแต่เมื่อเราทำกันเป็นเป็นกลุ่มนะรวมพลังนะพนังจิตประสานใจกันมันก็ช่วยทำให้ เราสามารถที่จะประสบกับเฉพาะเช่นนั้นได้บางทีก็เรียนรู้จักเด็กที่เขาเดินโดยที่ไม่ท้อนะแม้กายจะเหนื่อยบางคนเดินเหยียบหินนะจะกลับรู้สึกอัศจรรย์ว่าเ อ, อทำไมมันปวดเท้าแต่ใจไม่ทุกนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่หลายคนได้พบ ซึ่งถ้าออว่าเราได้ได้ฝึกมาจากการเดินธรรมยานตาเนี่ยก็เชื่อว่าการที่ใจเราจะสูงแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากและใจที่สูงส่วนหนคือใจที่นึกถึงโลกใจที่องกคก์กนธรรมชาติได้เป็นส่วนหนึ่งนะของจิตใจของเรา อบอ้อมอารีต่อธรรมชาติมากกว่าที่เคยเป็นที่จริงถ้าหอกว่าใจเราใหญ่พอนะมันก็จะรวมธรรมชาติไว้เป็นนะส่วนหนึ่งนะของชีวิตเราด้วยไม่ได้รู้สึกแปลกแยกกับธรรมชาติหรือไม่ได้คิดที่จะเอาเปรียบเปลี่ยนบางธรรมชาติอย่างเดียวใจใหญ่คือใจที่อบอ้อมอารีทั้งตาทั้งกับผู้คนที่ร่วมเดิน ตลอดจนผู้ที่เราพบเห็นสองข้างทางรวมทั้งแผ่ภูมไปถึงธรรมชาติรู้สึกเดือดร้อนไปกับธรรมชาติด้วยเป็นเสมือนกับว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องของเราซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเป็นมากกว่านั้นนะก็คือเป็นผู้ที่มีพระคุณของเรา ในใจของเราให้มันใหญ่อย่างนี้ด้วยแล้วก็ทำให้จิตของเราสูงขึ้นอยู่เรียบง่ายนะจิตใหญ่ใจสูงมันก็จะทำให้การใส่ใจโลกของเรามันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปเป็นไปเองอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะถ้าเราอยากจะให้การเดินของเราเนมันมีส่วนในการช่วยเกื้อกูลโลกเพื่อเพื่อธรรมชาติความตั้งใจในการเดินและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยไม่ทำให้สิ่งที่เราคำขวัญของธรรมญาตาปีนี้อยู่เรียบง่ายใส่ใจโลก มันเป็นจริงขึ้นมาหลายคนมาเดินธรรมยาตราด้วยความรู้สึกพึกเหิมนะเพราะว่าอยากจะไปะเผชิญกับอุปสรรคถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายบางคนก็มีความกังวลว่าจะเดินไหวไหมเพราะว่าไม่เคยเดินไกลๆนะด้วยเท้าเปล่า เท้าปล่านี่ไม่จำเป็นต้องถอดรองเท้านะใส่รองเท้าก็ได้บางคนนี้กิจีศั์ว่ามันยานะกลาบากก็ก็รู้ว่ามันดีนะแต่ก็มีความประวัติลึกๆแม้กรั่งเรื่องห้องน้ํานะที่เขาเลือกันว่าสี่ร้อยคนนะแต่มีห้องน้ำสองห้องจ ะ, จะอยู่ยังไงแถมไปรู้ด้วยว่าห้องน้ําบางจุดเนี่ยนะมันเป็นห้องน้ําธรรมชาติหลคนเริ่มกังวลแล้วะ แต่บางคนเนี่ยก็มีความหวัง ว, ว่าโอ้โหเห็นหลายคนเนี่ยเขากลับจากธรรมญาตาแล้วชื่อก็เปลี่ยนไปเขาได้พบอะไรที่ดีๆมากมายเลยนะก็ซาดแล้ ว, ก, ลว ก, ก, ก็วาดความหวังเอาไว้ว่าจะได้เจอสิ่งที่เยี่ยมยอดนะจากธรรมญาตาก็อยากจะบอกว่าไอ้ไม่ว่าจะเป็นความกังวลก็ดีหรือการวาดความหวังไว้เลอ้อเลิดก็ดีเนี่ย อันนัน้นเป็นเรื่องอนาคตนะไอ้ที่เรากังวลเนี่ยเรากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นก็อย่าไปไปจดจ่อกับมันมากให้อยู่กับปัจจุบันคืนนี้ให้นอนอย่างสบายๆและมีความสุขพรุ่งนี้จะเจออะไรก็ไปค่อยไปว่ากันข้างหน้าอย่าเพิ่งเอามาเป็นเรื่องกังวลส่วนคนที่มีความส่วนที่คนที่วาดหวังเอาไว้นะว่า ธรรมยาตราครั้งนี้เนี่ยจะได้เจออะไรบ้างโหจะได้เจอธรรมชาติที่สวยงามได้เจอประสบการณ์แปลกใหม่ที่พลิกชีวิตอันนี้ก็วางมาลงบ้างก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันเป็นอนาคตธรรมยาตราเนี่ยศิลปะการเดินธรรมยาตราที่สำคัญนะก็ะคือการอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยมันจะช่วยเราได้เดยอะเลยและเราควรจะ ฝึกการอยู่กับปัจจุบันนะเริ่มแต่คืนนี้อย่าเพิ่งไปนึกถึงอุปสรรคมากมายที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็อย่าไปนึกถึงสิ่งจะไปคาดหวังถึงสิ่งประเสริฐนะที่มันรอเราอยู่ข้างหน้าเช่นกันวางเอาไว้ก่อนอยู่กับปัจปจุบันทำุบายที่สุดถ้าเราฝึกกับการอยู่กับปัจจุบันเริ่มแต่คืนนี้ไปเนะี่ยแล้วก็พยายามทาทุกวันทุกวันเนะี่ยเราก็จะ ผานประสบการณ์ธรรมยาราไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังไงก็ตามก็อยากจะบอกว่าถ้าพูดถึงระยะเวลา8วันเนี่ยของธรรมยถาตรางนีง่มันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ถ้าพูดถึงระยะทางเนี่ย111 116 11กิโลเนี่ยก็ ถ, ถือว่าไม่น้อยนะสําหรับหลายคนเพราะบางคนเนี่ย แค่เดินไปปากซอยเนี่ยสอง้อเมตรยังไม่เคยเดินเลยนั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งรถมันก็ไกลนะแต่ว่ายิ่งชนับเป็นเก้าดูแลเนี่ยโอ้โหมันมันเกือบร้านเก้านะเกือบมันเป็นหลายแสนเก้าทีเดียวแต่ถ้าเราตั้งใจเดินนะแต่ละเก้าแต่ละเก้าเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเรามันจะมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นกับเรามากมายซึ่งสามารถจะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับชีวิตได้และสวหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยก็ได้มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจเดินแตละก้าวแตละก้าวให้ดีใช้แตละก้าว เป็นการฝึกจิตของเราไปด้วยเมื่อจะเป็นการฝึกความเข้มแข็งฝึกการมีสติฝึกการทำสมาธิรวมทั้งมีใจอบอ้อมอารีเพื่อเพื่อเกือ้อกูลผู้อื่นก็เชื่อว่า8วันในธรรมญาตราเนี่ยมันจะไม่ใช่8วันที่สูนเปล่าหรือไม่ใช่8วันที่แต่ไม่ได้ความทุกข์กายตั้มามั่นใจแล้วนะว่า แม้ว่ามันมีความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เราจะไม่ทุกข์ฟรีๆนี่เราจะมีของดินติดตัวจิตใจของเราแต่ข้อสำคัญประการแรกคือนะขอให้เราพลังจิตประสานใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วก็น้อมใจอยู่กับปัจจุบันแม้ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยคุณภาพหรือมาตรฐานของชีพมันจะ เนี่ยลดต่ำไปเรื่อยๆลดต่ำลงไปเรื่อยๆนะแต่คุณภาพชิวของเราเนี่ยหรือคุณภาพจิตของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆได้คำนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่จะช่วยให้เราได้ผลิตประสานใจกันได้ดีขึ้น